เช้านี้นะเป็นเช้าแรกของเทศกาลข้าวพันสาและอาหารที่เราจะรับในเช้านี้ก็เป็นอาหารมื้อแรกของเทศกาลข้าวพันสาด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งจิตว่าเราจะฉันหรือว่ารับอาหารมื้อนี้นะด้วยความตั้งใจที่จะเกื้อกูลต่อการ เรพฤตปฏิบัติธรรมของเราไม่ว่าอยู่ในเพศใดก็ตามอาหารที่เรารับเข้าไปนี้นะตามธรรมดาก็ช่วยหล่อเลี้ยงกายของเราให้มีสุขภาพดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจอย่างที่ว่ามาอาหารนั้นก็จะช่วยส่งเสริมคุณภาพของชีวิตจิตใจของเราด้วย คือเมื่อเรามีกำลังวังชาแล้วนะเราก็ใช้กำลังวังชานั้นเพื่อที่จะทำความดีเพื่อเฟื้อเเพื้อกูลผู้อื่นและเพื่อการฝึกฝนขัดเกลาตนเองนะให้มีจิตใจที่ดีงามนะมีจิตใจที่โปร่งเบาสงบเย็น การกินอาหารนี้นะมันก็เป็นการส่งเสริมธรรมได้เหมือน่อที่ญาติโยมถวายสังกทานถวายอาหารให้กับพระอาหารเหล่านั้นนะก็แปลไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกําลังเป็นพลานามัยเพื่อใช้ในการบําเพ็ญศาสนกิจศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมไปในลําดับต่อไปด้วย พวกเราซึ่งเป็นคารวาสก็ทำเช่นนั้นได้เหมือนกันนะอาหารที่เรากินก็สามารถจะนะแปลไปเป็นพลังเพื่อส่งเสริมการทำความดีงามทำให้ธรรมะเจริญงอกงามได้นอกจากความตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อรับอาหารแล้วนะบำบัดความหิวแล้วนะเราจะ ทำความดีเราจะทำความเพียรให้มากขึ้นจริงเราสามารถจะเริ่มต้นปฏิบัติทําได้ตั้งแต่หรือระหว่างที่เรากินอาหารด้วยซ้ำไม่ต้องรอว่ากินอาหารเสร็จแล้วเราจะไปปฏิบัติธรรมเราจะไปสร้างความดีนะการปฏิบัติธรรมการทำความดีก็ทำได้ในระหว่างที่เรารับอาหารนั้นนะ เช่นเนะเรากินอาหารอย่างมีสตินะกินอาหารอย่างมีสติก็คือว่าวางความคิดที่ทำให้ใจิตใจฟุ้งลอยออกไปนะเราเคยสังเกตหรือเปล่าว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยใจเรานะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยครั้งใจเราก็ลอยไปโน่นไปนี่นะปากเคี้ยวแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหนระหว่างที่กายรับอาหารนะ ใจแล้วก็ไปบริโภคความคิดนะมันไปคนละทางกันเลยอันนี้เรียกว่าไม่มีสตินะเราสามารถจะปฏิบัติธรรมได้ระหว่างที่เรากินอาหารด้วยการกินอย่างมีสตินะก็คือให้ใจรับรู้อยู่กับการกินวางความคิดต่างๆลงนะชั่วคราวนะไม่ว่าจะ คิดเรื่องครอบครัวเรื่องบ้าเรื่องงานหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งคิดเรื่องการปฏิบัติธรรมว่ากินข้าวเสร็จแลแ้วจะไปปฏิบัติธรรมเดินจงกลมที่นั่นที่นีนะ่วางแผนการปฏิบัติธรรมอย่างดีอันนั้นสําคัญก็จริงแต่ก็วางเอาไว้ก่อนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนะเวลามีความรู้สึกเพลินพอใจในรสชาติของอาหารก็รู้นะอันนี้เรียกว่ารู้อารมณ์นะหรือรู้ว่ารู้ ความสุขที่เกิดขึ้นมันคือเวทนานะเวทนาคือความสึกสุขทุกข์ก็รู้นะแล้วก็ดีใจเพลินชอบอยากกินอยากได้อีกน ะ, อ, ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ความอยากก็รู้หรือว่าอาหารไม่ถูกใจไม่ถูกปากเกิดความไม่พอใจขึ้นก็รู้นะรู้แล้วก็วางเช่นเดียวกันนะอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติ ระหว่างกินอาหารแต่ที่จริงเนี่ยยังปฏิบัติธรรมได้ก่อนจะกินด้วยซ้ำนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมหลังกินแล้วหรือว่าปฏิบัติธรรมระหว่างกินนะก่อนที่จะกินเนี่ยเราก็ปฏิบัติธรรมได้นะเช่นขนาดนี้เรากำลังรอคอยอยู่การคอยนะถ้าเราคอยเป็นนะนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมละการรู้จักคอยเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสาคัญมากสาหรับ การดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะเมื่อเรารู้จักคอยเนี่ยมันจะไปส่งเสริมความเพียรวิริยะคนสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความขยัน ม, มันเพียรเพราะว่าคอยไม่เป็นอยากจะได้รับความสำเร็จอยากจะเห็นผลไวๆนะเดี๋ยวนี้ก็คิดกันแล้วว่าทำยังไงถึงจะรวยโดยที่รวยไวๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนะ ทำยังไงจะเรียนได้เกรดดีโดยที่ไม่เหนื่อยนะพอจะทำความดีสักอย่างผลยังไม่ทันปรากฏเลยก็ทนไม่ได้แล้วคอยไม่เป็นละเลิกนะนะการที่คนเราเนี่ยไม่มีความเพียรเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เนื่องจากคอยไม่เป็นนะถ้าผลออกมาไม่ทันใจก็หงุดหงิด หรือบางทีก็หัวเสียแล้วก็เลยเลิกนะแต่ถ้าเรารู้จักคอยให้เป็นนะเราจะสามารถจะรักษาความเพียรได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะส่งเสริมให้อธิษฐานบา ร, รมีนะที่หรือความตั้งจิตแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นความจริงจังขึ้นมา ถ้าเราคอยไม่เป็นเนี่ยเราตั้งใจทำแล้วก็ตามก็จะไม่เป็นอันอทำได้สำเร็จหรือว่าทำให้เราคลายความตั้งใจยกเลิกละเลิกความตั้งใจได้ในเร็ววันนะเมื่อเช้านี้เราก็อธิษฐานไปแล้วนะหรือว่าถ้ายังไม่อธิษฐานก็อยากเชิญชวนให้เราอธิษฐานว่าเราจะทำความดีในพรรษานี้หนึ่งอย่างคืออะไรบ้าง นะความไม่ดีสิ่งที่เราเสพติดที่เราอยากจะลดอยากจะละอยากจะเลิศในพรรษานี่มีอะไรบ้างเมื่อเราทิฏฐานหรือตั้งใจแล้วน ะ, ะเราก็ต้องมีความเพียรและความเพียร น, นั้นจะหล่อเลี้ยงได้ก็อาศัยความรู้จักคอยด้วยนะสมัยนี้เนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นเร่งเล้าให้เราคอยไม่เป็นเพราะว่า เดี๋ยวนี้ผู้คนนิยมความเร่งรีบความเร่งรีบหรือความไวนะกลายเป็นสารณะกลายเป็นพระเจ้าไปละวทำอะไรต้องไวต้องเร็วนะเครื่องยนต์นะโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ต้องบูธให้เร็วให้ไหวนะถ้าช้านี่ก็ไม่อยากใช้นะมันก็ทําให้เราไม่รู้จักคอยและเดี๋ยวนี้มันมีอะไรต้องทําเยอะนะ ก็เลยต้องรีบๆทําแต่ละอย่างแต่ละอย่างต้องรีบทำเพื่อที่จะได้ไปทําอย่างโ น, น้นทําอย่างโน้นก็รีบทําเพื่อได้ไปทําอย่างนั้นมันมีอะไรที่ต้องทําเยอะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะทํำนะ่ะถ้าใครควรดีๆมันก็ไม่ค่อยเป็นสิ่งสําคัญเท่าไหร่นะ mm hmm. เช่นมันเป็นการเที่ยวการสนุกการเสพการฟังเพลงการดูหนังแล้วเราก็เสียเวลาไปกับพวกนี้เยอะแล้วมันก็ทําให้เรา หาเวลาว่างไม่ได้ทำอะไรก็เลยต้องทำเร่งเร็วแต่ถ้าเราเริ่มที่จะคอยนะอย่างเช่นคอยระหว่างที่พระไปตักอาหารหรือว่าคอยนะคะที่เราเข้าคิวซึ่งวันนี้ต้องคอยเยอะด้วยเพราะว่าคนเยอะมากนะต้องเข้าคิวถึงแม้ว่าจะมีหลายคิวก็คงจะไม่เร็วระหว่างที่เข้าคิวเราก็นะให้ถือว่านี่เป็นการฝึกนะเป็นการฝึกจิต เป็นการสอนใจให้รู้จักคอยหรือว่าถ้าคอยเป็นเราก็ใช้โอกาสนี้แหละนะมาเจริญสติได้เช่นตามลมหายใจระหว่างที่ยืนคอยคิวหรือว่าพึงนิ้วไปนะเจริญสติไปเป็นการรู้จักใช้โอกาสนะที่มีอยู่เพื่อการเจริญสติในง่หนึ่งมันก็เลยไม่ใช่เป็นการคอยเพราะว่า เรากําลังเจริญสติไปในลักขณะที่ยืนอยู่ในแถวนะแล้วทําอย่างนี้ได้นี่ปรากฏการที่เรียกว่ามนุษย์ป้านี่ก็คงจะไม่เกิดนะสมัยนี้มีการพูด ก, กันมากเรื่องมนุษย์ป้านนะมนุษย์ป้านี่ชอบแซงคิวนะหรือว่าชอบอทําอะไรต่ออะไรมากมายโดยที่ไม่รู้จักคอยจริงจริงไม่ใช่มนุษย์ป้าอย่างเดียวนะอคนทุงท่งแพ้ทุกงไว้ก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยเนะ แม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมนะถ้าคอยไม่เป็นก็นะแห่กันมารับหนังสือธรรมะนะเคยไปเคยไปแสดงธรรมนะแล้วก็มีหนังสือธรรมะไปแจกผูดจากก็บอกว่าให้เข้าคิวแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเข้าคิวเลยนะมาลุมมาตุ้มเพื่อที่จะมารับหนังสือนะอันนี้ก็แสดงว่าสอบตกแล้วนะเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่มีไม่มีวินัย น, นะไม่มีระเบียบ ทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าคอยไม่เป็นนั่นเองอ่าแล้วก็ขออนุมโมทนาทุกท่านนะ